พัฒนาบุญกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในวันนี้นะครับผมก็ในฐานะของผู้ที่เคยเป็นครูมาก่อนเป็นครูรับราชการได้แค่สมปีรับรายการอยู่ที่วิไลพระกษาจังหวัดอ่างทองก็เป็นครูตรนานัพระ ศ, ศึกษา ทำงานได้แค่สามปีก็เลย ป, ประสบอบเหตุในชีวิตขณะที่กำลังสอนวิชาว่ายน้ำราส า, ศาที่การกระโดดน้ำโงบันิตะก็เกิดพลาดท่าศีรษะเนี่ยไปกระกแทกถึงพื้นก้นสะแล้วก็ทำให้เกิดอาการคอหักประดูกข้อที่หหัก ทำให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ยไม่มีความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่ได้ส่วนล่างก็จะเคลื่อนไหวได้เฉพาะว่าศีรษะแล้วก็หัวไหลแล้วก็นิ้วมือนี่ก็ใช้ไม่ได้ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้คือด้านล่างไปเนี่ยด้านตน้นม้อไปไม่รู้สึกเลย เอาเข็มแทงก็ไม่รู้สึกอยู่ในสภาพเช่นนี้มาสามสิบสามปีใน <c oughs> ช่วงที่ประสบบาิเหตุใหม่ๆรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณสี่เดือนมันก็ไม่ดีขึ้นไปกว่าเดิมนะการเคลื่อนไหวก็ได้น้อยมาก ันนี้ได้แค่ขยับมือได้นิดหน่อยนะั่นช่วยแรกๆสี่เดือนก็เลยต้องออกจากโรงพยาบาลเพราะหมดหมดโคต้าการรักษาของทางราชการออกมาอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ต้องลาออกจากราชการทำงานได้แค่3ามปีต้องลาออกจากราชการก็ไม่ได้เป็นครูละ นอกจากความเป็นครูก็เป็นแค่คนพิการธรรมดาแค่กระโดดน้ำลงไปเนี่ยชั่วพริบตาเดียวพอโผลกขึ้นมาจากน้ำก็เปลี่ยนสถานภาพจากคนที่มีร่างกายเป็นป ก, กติมีพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างก็กลายมาเป็นคนพิการเกิ <c oughs> ดใหม่เป็นคนพิการ <c oughs> ก็เลย การพิการที่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยเหลือช่วงใหม่ๆนี้ก็มัน ก, ก็ทำใจได้ยากนะเรามันก็เป็นทุกข์มากทุกข์เพราะร่างกายพิการซึ่งเป็นที่เรารักและหวงแหนมากอายตุตอนนั้นก็24ปีพศสอบสารอยสบ <G ül> กาลังมีความหวังแลวต้องสูญเสียร่างกายสิ่งที่เรารักที่สุดคือร่างกายเรามันก็เป็นทุกข์แล้วความหวังต่างๆเรื่องการทำงานเรื่องความรักแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีแต่วความมีความหวังทางนั้นก็เลยตัดเสึ้งความหวัง ก็เรยว่าทุกทางกายทุกทางจิตนะนะเนี่ยทุกทางกายมันก็พอพอทนไหวแต่ทุกทางจิตที่มันคิดฟุ้งซ่านเนี่ยอันเนี้ยมันแทบจะแทบจะฆ่าตัวตายก็เพราะถูกไอ้ความทุกข์ทางจิตใจที่มันคิดบีบคั้นจิตใจเรานมันก็เกิดการคิดที่ย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็นึกว่าเสียดาย เสียดายอาดีตเนี่ยซึ่งเราอาลัยอวรมากเปรียบเทียบชีวิตปัจจุบันซึ่งเป็นคนพิการแต่ชีวิตที่อดีตนี่ของเรามาดีแล้วมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยยิ่งคิดทีไรเราก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะใจิตใจมันหมกมุ่นแต่เรื่องราวที่ผ่านมา น้อยใจในวาสนาในโชคชะตาชีวิตของเราแล้วพอมองไปอนาคตเราก็มืดมนแล้วชีวิตเราจะอยู่ยังไงคิดฟุ้งซ่านถึงองดีตฟุ้งซ่านถึงอนาคตชีวิตปัจจุบันเลยไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้มาประมาณเกือบปีเกือบ ป, กอปีก็เริ่ม ก็เรียกว่าทุกตัวนพอเพียงนะนะมันก็เริ่มคิดว่าถ้าเราขืนปล่อยจิตใจหมกมุ่นอยู่ในกับความทุกข์กับความคิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องตายไปกับสภาพของร่างกายที่พิการแล้วจะหาความสุขในชีวิตได้ยังไงมันก็คิดนะเราจะทำชีวิตของเราอย่างไงเนี่ย ให้มันมีความหมายขึ้นมาบ้างคือคนเรามันมีช่วงความเป็นทุกข์ก็มีอยู่แต่บางช่วงเนี่ยเราสามารถคิดขึ้นมาได้ไม่มีใครเป็นทุกข์ได้ทั้งวันทั้งคืนหรอกไม่มีใครเป็นตุ้ดตั้งแต่เกิดจนปลายหรอกมันมีช่วงของจิตที่มันได้หยุดบ้างนะบางครั้งจิตมันก็หยุดแล้วมันก็คิดว่าเราจะทำชีวิตของเราอย่างไรเนี่ยให้มันมีความหมายขึ้นมาบ้าง เพราะว่ามองข้างหน้าแล้วเนี่ยเราคงจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นานหรอกนะกูยอยู่ได้ไม่นานเพราะสภาพร่างกายที่ผิดปกติช่วยตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยหาย ใ, ใจได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตมันจะอยู่ได้อย่างไรเนี่ยก็เลยเนี่ยผกหายใจได้แค่เนี้ไม่ถึงทองนะรู้สึกได้แค่เนี้ยลมหายใจมันสั้นมันลมหายใจมันจะหมดอย่างนั้นะ เราจะอยู่อย่างไรชีวิตข้างหน้านี่คงจะไม่นานแล้วชีวิตที่เหลือเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันมีคุณค่ามันก็คิดนะเราคิดว่าถ้าเรามัวหมกมุ่นอยู่เรื่องความคิดในอดีตแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยมันจุนสูญเสียไปโดยไร้ค่า สู้เราเลิกนึกถึงเรื่องราวอะไดีดีกว่าสิริปานมาทิ้งไปก่อนเอาอส่วนที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราจะทํำไงให้มันมีคุณค่ามันก็เลยพอมองข้างหน้าไม่สนใจอารมณ์หรือว่ดีข้างหลังเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ราคตเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะทําอะไรได้วิธีคิดวิธีปฏิบัติก็สนใจว่าสิ่งที่เราควรจะทํา ชีวิตให้มีคุณค่าเนี่ยก็คืออันดับแรกคือต้องเข้าถึงธรรมก่อนนะเริ่มอ่านหนังสือธรรมะต้องเข้าถึงธรรมต้องดับทุกข์ให้ได้ก่อน <c oughs> แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะทําประโยชน์กับคนอื่นดับทุกข์ให้กับตัวเองแล้วก็ทําประโยชน์ให้คนอื่นเราจะทำอย่างไรในสภาพร่างกายที่พิการช่วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้ มันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะนึกไม่ออกแต่สิ่งแรกที่เราควรจะทาก็คือแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนในช่วงนั้นคิดแบบนี้ปัจจุบันจ ะ, จะเริ่มต้นทำอะไรก่อนพอดีไปได้แรงบันดาลใจจากคุณพ่อคุณแม่ท่านมาช่วยเหลือเราเราไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ท่านมาช่วยเหลือเรา เอาอย่าให้เราทานเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เราเนี่ยแล้วก็ให้เราทานข้าวแล้วก็นอนหลับตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณแม่ยังทำความสะอาดไม่เลิกเลยเราบอกอ๋อเราจะช่วยท่านอย่างไรเนาะมาคิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะเมื่อเราจะช่วยท่านนั้นวิธีการช่วยเหลือท่านได้ดีสุดคือการช่วยตัวเอง ช่วยตัวเองเพื่อจะลดภาระลดภาระของท่านที่จะมาช่วยเหลือเราเออต้องเริ่มช่วยตัวเองก่อนตั้งแต่นั้นมาก็เลยฝึกที่จะช่วยเหลือตัวเองพลิกตัวเองเนียพยายามเคลื่อนไหวขยับตัวเองไม่ให้ท่านช่วยเหลือเราอันดับแรกคือช่วยเหลือร่างกายของเราให้มันเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้น ก็ฝืนก็ทนก็อดทนนะนะแล้วก็ต้องยอมรับในสภาพที่เรามีความจํากัดในตัวเองแต่อีกด้านหนึ่งคือด้านจิตใจนี่สำคัญมากเราต้องทัวยจิตใจของเราเนี่ยให้มันมีความสุขขึ้นม า, ใ ห, า, มนมาให้ความทุกข์มันลดน้อยลงนะเพื่ออะไรเพื่อลดภาระความทุกข์ของพ่อแม่เพราะถ้ามันทุกข์มากในวะ่าที่เราหาความสุขไม่ได้อย่างนี้ ทำยังไงให้จิตใจเราเนี่ยมันสดชื่นเบิกบานเพื่อท่านจะได้มีความสุขบ้างสำหรับเราก็อา ศ, าศาัยการปฏิบัติธรรมนี่แหละการบริหารกายช่วยเหลือตัวเองคือช่วยด้านร่างกายแต่ธรรมะเนี่ยช่วยทางด้านจิตใจไม่ให้มันมีความทุกข์ให้มันมีความสุขช่วนนั้นก็ได้ติดต่อกับหลวงพ่อคำเขียน หลวงพ่อเขียนส่วนโนวัดป่าสุกโตแก้งเคราะหชัยภูมิวัดป่าสุกโตเนี่ยถ้าจะาพรสารก็เป็นเจ้าวาดที่นั่นะเขียนจดหมายนะเนี่ยมืออย่างเงี้ยพยายามอยากจะพัฒนาจิตเราแพลวตัวเองเนี่ยฝึกเขียนจดหมายด้วยมืออย่างเงี้ยนะเอาปากกาหนีบๆแล้วก็เขียนนอนเขียนนอนเขียนทีละตัว ฝึกเขียนจดหมาเขียนกอไก่ได้ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหดีใจมากเลยในความสึกตอนนี้มันยิ่งใหญ่มากเขียนกอไก่ได้ตัวเดียว <c oughs> <c oughs> ก็เลยเขียนจดหมายเนี่ยถึงหลวงพ่อเพื่อให้สอนวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อความดับทุกข์เล่าถึงสภาพร่างกายที่มีแต่วความจํากัดให้ท่านเข้าใจถ้าก็สอนกรรมาฐานมาทางจดหมายสอนให้เรา นอนเป็นบัดอยู่ที่บ้านนอนอยู่บนเตียงนอนเจระสติแบบเคลื่อนไหวซึ่งมันมันไม่ตรงกับสภาพร่างกายเราเล ย, เลยให้เราเจระสติแบบเคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวได้แค่นี้กะยับแค่นี้แต่เราก็ทำนะำก็นอนพลิกมือเล่น น, นอนเบิกสติมันเคลื่อนไหวได้แค่นี้นะแต่มีสติรู้รู้สึกตัวอยู่การเคลื่อนไหว เนี่ยพลิกไปพลิกมาเนี่ยมือซ้ายเนี่ยมันขยับไม่ค่อยได้พลิกไปพลิกมาเนี่ยมันมันเกิดการก็เรียกว่ามันขยับบ่อยๆมันมีเหมือนกายภาพตัวเองร่างกายมันแข็งแรงขึ้นนะเนี่ยวันหนึ่งนอนพลิกอยู่เกชั่วโมงนอนพลิกมือเล่นซ้ายขวาแล้วก็รู้สึกรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเรานอนนิ่งๆใจมันก็จะคิดฟุ้งซ่านอดีตอนาคตไม่มีปัจจุบัน และมันก็จะหลับถ้าไม่คิดฟุ้งซ่านมันก็หลับหลับหลายไปสองอย่างไม่เป็นกลางไม่ฟุ้งก็หลับแต่เราเคลื่อนไหวเนี่ยมันได้ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันที่มันไม่คิดไปข้างหน้าข้างหลังมันนี่มีความทุกข์เราอยู่กับปัจจุบันนอนเล็กมือมือซ้ายเนี่ยผมเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้นะมีวันหนึ่งคุยกับพ่อลืมเผลอมือซ้ายพาดที่หน้าต่าง พ่อบอกเอ้ายกได้เลยเหรอผมก็ไม่รู้ว่าผมยกได้แต่เมื่อไรมันทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงยกจากการที่ยนอะไแค่นี้ลืมความคิดอดีตอนาคตมาฝึ ก, กปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการพัฒนาร่างกายพัฒนาร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแล้วจิตเนี่ยมันก็เป็นปกติมันสงบและมันตื่น มันตื่นรู้ตื่นตัวตื่นออกมาจากความคิดฟุง้งซ่านโดยที่ไม่เข้าไปในความฟุง้งซ่านแต่ตื่นออกมาเห็นความคิดที่มันฟุง้งซ่านจิตมันพ้นจากการปรุงแต่งจากความทุกข์ทั้งหลายมันก็ปกติมันก็ผ่องใสแล้วมันจะคิดจะอ่านอะไรมันก็ได้คล่องแคล่วว่องไวมันเคยรู้จักรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเอง แล้วก็แก้ปัญหาจิตใจของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไอสภาพความคิดจากอดีตอนาคตที่มันบีบคั้นในปัจจุบันมันก็มีความเบิกบานได้ในปัจจุบันยิ้มออกพอเรายิ้มออกคนเดียวเนี่ยพ่อแม่ก็เลยสดชื่นเบิกบานไปด้วยก็ช่วยครอบครัวช่วยตัวเองช่วยครอบครัวอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อกำกขียนท่านก็ให้พระที่วัดป่าสุโตมา มาดูผมที่บ้านแล้วก็เชิญจว้ยไปอยู่ที่วัดป่าสุกโตชวนไปอยู่วัดป่าสุกโตให้ไปปฏิบัติต่อให้ไปพักผ่อนด้วยและไปปฏิบัติธรรมการไปอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชีวิตใหม่อีกด้านจากการช่วยตัวเองได้แล้วไปอยู่ที่วัดเหมือนอยู่ในแดนงาน ที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมหลวงพ่อไปอยู่วัดให้ไปอยู่บนอุตติที่อยู่บนภูเขาสูงมากแต่เวลาใครมีความทุกข์หลวงพ่อก็จะส่งให้ไปหาคนที่มีความทุกข์ท่านั้นจิตใจร่างกายเป็นปกติมีพร้อมทุกอย่างแต่ใจยังหาความสุขไม่ได้หลวงพ่อก็เวลามีคนเอา ของมาถวายท่านบอกว่าอ๋อเอาของนี้ไปให้อ่าให้จางกระพลอยู่ข้างบนเขาก็เอาของจากที่ถวายหลวงพ่อเนี่ยเอาให้ผมเขาไปเจอผมเนี่ยซึ่งสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็นอนยิ้มอยู่บนคนที่มีความทุกข์เลยได้กาลังใจเลยเขามีพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วเขาจะทุกข์ไปทำไมในเมื่อคนที่ทุกข์มากกับเราาก็มีนอนยิ้มได้ มันเขาได้กำลังใจวันดีขึ้นดีเวลามีกลุ่มมาปฏิบัติธรรมอยู่ข้างล่างเนี่ยก็มีพระสองรูปทำแค่ไล้ลผมนอนแล้วก็หามผมลงมา <c oughs> ออามาพูดธรรมะกับพูดวิธีคิดวิธีปฏิบัติตนให้กับกลุ่มคนทั่วไปฟังอยู่มาวันหนึ่งคุณพ่อผมเนี่ย ท่านไปอยู่กับผมท่านก็บอกว่าท่านตบที่ขาผมว่าไปลูกไปทำประโยชน์กันเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันต้องทำประโยชน์นี่กำพูดของพ่อก็ลงมาทำประโยชน์นะทำแบบไม่คาดหวังอะไรคือทำให้ทำให้ ไม่ทำเอาทำให้ <c oughs> คิดว่าเราทำไปเนี่ยเขาจะได้อะไรไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรจากการกระทาของเราเขาจะได้อะไรเนี่ยมองประโยชน์อยู่ที่คนที่ต้องเขาจะได้รับคนที่มีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเขาจะได้อะไรจากเราไม่ใช่ว่าเราจะได้อะไรจากเขาตัดตอนประโยชน์ตันเองเลยเนะตัดตอนไปเลยเนี่ยมองไปที่เขาเป็นส่วนใหญ่ที่ตรงนี้แหละเลยอุทิศตนเองให้เป็น อุปกรณ์ของพระธรรมไม่ได้เป็นครูแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ของพระธรรมเป็นปากให้พระธรรมเป็นเสือให้พระธรรม <c oughs> ไม่มีอาจารย์กำพลไม่มีใครดังนั้นเราคืออุปกรณ์ของพระธรรมผู้ธรรมะเป็นตื่นธรรมะยิ่งทําไปก็รู้สึกว่าตัวเอ ง, เองนี่มันมีคุณค่ามันมีความหมายชีวิตมากยิ่งขึ้นยิ่งทํามันยิ่งมีความหมายน ยิ่งมีความหมายต่อชีวิตหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าเรามีปัญหาชีวิตปฏิบัติตนเองแก้ปัญหาตัวเองได้เนี่ยถือว่าประเสริฐแล้วแต่ยังไม่ประเสริฐเท่ากับได้ไปช่วยเหลือคนอื่นเราช่วยตัวเองเีได้แค่หนึง่งแต่เราช่วยเลืออื่นเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลกว่า เ, เราก็ได้กําลังใจจากหลวงพ่อที่จะ คุเหลือก็เ่นต่อไปนะก็ทำแบบว่าทำให้อ่ะก็ทำให้อย่างนี้แหละมีวันหนึ่งไปพูดธรรมะที่วัดถ้มวัฒนามงคลมีพระกุณเจ้าเชิญไปที่นั่นเขาอบรมนักเรียนในร้อยตำรวจที่บวช ในช่วงที่ปิดเทอมักีและตำรวจบวชตอนปิดเทอมบวชเพื่อถาวายในหลวงนี่แหละในว่าฤดูร้อนขณะที่พูดทําไม้กับกลุ่มไม่มียแลตวตำรวจฟังเนี่ยถ้าก็ถามท่านถามถามเป็นปิศนาธรรมท่านวา่า พัดลมพัดลมสองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเป็นพัดลมที่มีสามใบสมบูรณ์ทุกอย่างกําลังหมุนอีกเครื่องหนึ่งเป็นพัดลมที่ใบงีบ ง, งออย่างเงี้ยพัดลมที่มีใบงีบ ง, งอหมุนเหมือนกันนะหมุนเหมือนกันแต่ใบนี่ไม่สมบูรณ์แบบงิีบ ง, งอ เขาบอกไอ้พัดลมที่ใบไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยเข้าหมายถึงผมเขาบอกว่าพลังของพัดลมที่หมุนไปเนี่ยได้จากพลังอะไรพลังของพัดลมที่หมุนไปเนี่ยใบงอเนี่ยมันได้จากพลังอะไรผมบอกได้จากพลังธรรมธรรมะสองข้อที่ทําหน้าที่ ก็คือเรื่องของฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่เราทำคือความพอใจที่จะทำทำเพราะอะไรเพราะศรัทธาในสิ่งที่เรากาลังทำพอใจที่เราจะทำศรัทธาในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือการพูดเผยแผ่ธรรมะให้แง่คิดให้วิธีคิด และก็วิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาคนทุกคนที่มีความทุกข์ไม่จํากัดศาสนาไม่จํากัดเชื้อชาติภาษาถ้ามีกายมีติดก็สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ด้วยวิธีคิดและก็วิธีการปฏิบัติโดยเพราะการฝึกจิตฝึกสติฝึกการกระตินในชีวิตประจําวัน ให้อยู่กับปัจจุบันมันแก้ได้ทุกปัญหาเลยค <c oughs> รับเจมคุณหมอครับผมฮะขอพวกเราปรบมือนะครับให้กับทานคุณกำพลนะครับผมยังพอไหวไหมฮะ <c oughs> ไหวอีกสักนิดนะฮะตอนนี้ถึงแม้จะเป็นให้เวลามากที่สุด <c oughs> แต่ว่าก็ อ, อยากจะให้คุณกำพลได้อยู่กับเรานะครับอาจารย์กำพลอยู่กับเรานะครับจนกระทั่งอีก ทักเทียกเลยได้ไหมครับพออีกสักสิบหนาทีนะครับเผื่อจะมีคําถามด้วยแต่จะดีทําไม่ลุกผมก็ไม่ลุกนะ <laughs> รอด <laughs> ผมไม่ลุกลงไปก่อนนะั <laughs> <laughs> ้นเอนั่งอยู่เงี้ยขอบขอบขอบคุณ ค, ครับขอบคุณครนี่คือผมก็เพิ่งได้ความรู้นะครับกับการเคลื่อนไหวอย่างที่ว่าคือการเจริญสตินี่นี่คือธรรมโอสถนะฮะที่ผมเองเป็นแพทย์ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าศาสนาพุทธของเราคือ เเม็ดงามที่มีที่ที่ดีที่สุดในแผ่นดินไทยที่เราจะต้องมีแล้วจะต้องทะนุถนอมเอาไว้นะครับนี่คือการรักษาเป็นเป็นอุบายที่สุดยอดสำหรับคนที่พิการทางกายอย่างนี้และสามารถที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็ภาษาเราเรียกว่า Rehabilitation ไปพร้อมกันด้วยถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่ผสมประสานสองอย่างเกิดขึ้นแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าผลสาเร็จมีในวันนี้ที่คุณกำพลอาจารย์กำพล ได้แสดงต่อเราอยู่นี่เป็นบอกว่าเป็นอุปกรณ์ทางธรรมปรบมือให้กับท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเราได้ธรรมโอสถไปอยู่กับเราต้องช่วยกันนักษานะครับเรามีเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับสําหรับธรรมโอสถที่ดังอาจารย์กำพลนะครับได้สรุปให้เราสถิต น, นะครับเจนเนาจนนะอครับก็ในฐานะของ คนที่มีหน้าที่เป็นครูแล้วก็เป็นอุปกรณ์ของพระธรรม mm hmm. ก็จะเล่าถึงผลงานตนนิดหนึ่งมียาติธรรมที่มีความทุกข์เพราะว่าอยากจะเลิกบุหรี่เลิกสุรา mm hmm. เขาก็มาปรึกษาผม mm hmm. เขาบอกเขาจะทำยังไง mm hmm. ที่จะเลิกดื่มสุรา เลิกสู่บุหรี่ให้ได้ภายในพรรษาเขาพยายามเลิกมาได้ทุกพรรษาแล้วแต่เลิกไม่ได้สักทีเบอกไม่เป็นไรหรอกพยายามต่อไปเถอะคนที่คิดจะเลิกแล้วก็เลิกได้ครั้งเดียวเนี่ยมันไม่เก่งแต่ถ้าเราคิดจะเลิกแล้วพยายามเลิกอีกตั้งหลายครั้งเนี่ยเราเก่งกว่าเ <c oughs> พราะเราเลิกตั้งหลายครั้ง ให้พยายามต่อไปเนี่ยแล้วเราก็จะเลิกดื่มสุราได้เลิกสูบบุหรี่ได้เดี๋ยวนี้เขาเลิกได้แนละ้วให้กำลังใจเขาพยายามต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเลิกได้เองเนี่ยเขาเลิกได้นแล้วก็มีกลายหนึ่งในครอบครัวที่มีปัญหาพ่อแม่ลูก คนหนึ่งเป็นแพทย์แผนปัจจุบันอีกคนหนึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกสามีกับภรรยามันก็ขัดกันเลยวิธีการรักษาอยู่แล้วแล้วลูกป่วยเป็นไข้จะรักษาลูกยังไรในสภาพที่เป็นไข้ธรรมดาระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกเขาทะเลาะกันขัดกัน เนี่ยด้วยทิฏฐิมานะจนลืมหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็เลยแน่นาบอกว่าลดทิฏฐิมานะซะเรามองเนี่ยจุดศูนย์รวมของจิตใจอยู่ที่ลูกจุดูศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่ลูกอาศัย ความเมตตาและความรักต่อลูกอย่าได้สนใจเลยจะเป็นแพทย์ทางลอดหรือแพทย์ทางเลือกก็าตามบอกนี่ลหละธรรมะนี่ละ่ะความรักความเมตตาเนี่ยแะเป็นแพทย์ทางเลือกและไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันและนี่คือแพทย์ทางลอดเป็นองค์รวมแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือกถ้ามีแพทย์ทางรอดคือธรรมะ ความรักความเมตตาเนี่ยจะสามารถรักษารูปได้รสิทธิมา น, านะ<ฮ>เพราะนั้นใครมีหน้าที่อะไรก็ตามก็ต้องทำตามหน้าที่เนี่ยคุณวิลัตเนี่ยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยเนี่ยคิดฆ่าตัวตายบอกอย่าเพิ่งฆ่าเนี่ยมามาทำหน้าที่เนี่ยมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติ เ, เอาชนะความคิดที่คิดฆ่าตัวตายให้ได้ เราก็จะอยู่จะอยู่อย่างมีความสุขเดี๋ยวนี้ก็เลิกฆ่าตัวตายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหน้าที่อะไรก็ทำตามหน้าที่นะรวมพลังสามคัคคนะีทำดีเพื่อแผ่นดินนะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ให้ดีที่โดยอาศัยผลประโยชน์ของแผ่นดินนะเป็นจุดศูนย์ ร, รวมจิตใจนะโดยเฉพาะการละความชั่วการทำความดีเนี่ย อันนี้เรีว่าทำดีกับแผนดินแล้วแต่ทำความดียังไม่พอบางทีทำให้เราเป็นทุกข์เพราะไอความติดดีมีตัวตนที่ดีอยู่มันต้องมีวิธีการเรีย mm hmm. กว่าเป็นธรรมะโอสถเนี่ยเป็นแพทย์ทางรอดคือการฝึกสติฝึกสติภาวนานะให้อยู่กับปัจจุบันทำจิตนใจให้สูงจากความดีให้อยู่เหนือดีโดยการไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าทาความดี เพื่อจะให้เราดีแต่ทำความดีเพื่อความดีลบความเป็นตัวตนออกซะเนี่ยมันจะไม่มีความทุกข์เรื่องความดีเลยเนี่ยเอาชนะตัวนี้ได้เนี่ยเพราะนั้นการที่เราจะทำหน้าที่อย่างไม่มีความทุกข์ต้องทำหน้าที่ด้วยความมีสติด้วยความรู้สึกตัวนะที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือทำที่สุดแห่งความทุกข์ ถ้าว่าเราทำที่สุดความดุกับตัวเองได้แล้วก็เราคิดว่าเราตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินที่เราเกิดมาเนี่ยได้สูงสุดเลยนะอันนี้เป็นสุดยอดของคุณธรรม